จบส่วนที่สองของหนังสือเพื่อความสุขใจแล้วนะคะต่อไปเป็นส่วนที่สามคือเพื่อสุขภาพจิตที่ดีมนุษย์เราจะมีความสุขดีก็ต่อเมื่อมีสุขภาพกายและจิตดีแต่ระหว่างสุขภาพกายกับสุขภาพจิตนั้นคิดว่าสุขภาพจิตสําคัญกว่าเพราะถ้าสุขภาพจิตดี แม้สุขภาพกายจะกระท่อนกระแท่นเช่นคนชราก็พอหาความสุขในชีวิตได้แต่ถ้าสุขภาพจิตเสื่อมชุดโทรมแล้วแม้สุขภาพกายจะดีก็ไม่มีความสุขตัวอย่างเช่นคนหนุ่มสาวที่แม้ไม่มีโรคทางกายแต่เป็นโรคจิตเภทโรคจิตประสาทควบคุมตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมผิดปกติไปเขาไม่มีความสุขในชีวิต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 3. ระลึกไว้เสมอซึ่งความเป็นปฏิกูล 4. หมั่นพิจารณาให้เห็นโทษของกาย 5. ตั้งจิตไว้เพื่อละความตรึกในกามกา ม, มาวิตก 6. คิดไปทางคลายความติดวิราคาสัญญา 7. คิดไปในทางดับนิโรธาสัญญา เห็นว่าไม่มีอะไรน่ายินดีในโลกทั้งปวง 9. พิจารณาว่าไม่น ouais ่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง 10. พิจารณาลมหายใจเข้าออกทำอาณาปานสติท่านอาจารย์วสินได้ขยายความทั้งสิบข้อไว้ดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งคิดถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอ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 และค่อยๆลดลงจนไม่รักเด็กคนนั้นนี่คืออะไรเด็กคนนั้นก็เป็นคนเดิมวิเคราะห์ได้ว่าความรักเป็นอุปาทานหรือสืบเนื่องมาจากอุปาทานไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นความรักด้วยเมตตาการุณาเป็นคุณธรรมปลูกฝังให้อยู่ยั่งยืนได้เป็นประโยชน์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 เหมือนเทพยิ่ยกรียไป personification ทำให้เห็นเป็นบุคคลตัวตนทำธรรมชาติต่างๆให้เป็นเทพพบุตรเทพพิดาขึ้นมาจึงเป็นเรื่องราวเล่ากันได้ไม่จบที่สำคัญคืออัตวาทุกปาทานความยึดมั่นในตัวตนต้องการความสุขเพื่อตน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 คนที่เคยรักก็เบื่อหน้าไม่กล้าอยู่ด้วยกันสองต่อสองต้องมีคนมาคอยอยู่เป็นเพื่อนมากมายแล้วพาไปเผาพร้อมด้วยพร่ำภาวนาว่าขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถิด4มันพิจารณาให้เห็นโทษของกายมันพิจารณาให้เห็นโทษของกายว่ามีทุกข์มากมีโทษมาก เป็นที่เกิดและที่ตั้งของโรคนานับประการเช่นโรคตาหูคอจมูกโรคในท้องในไส้เป็นต้นเมื่อมันพิจารณาอยู่เสมอแล้วโรคเกิดขึ้นจริงก็โปรงใจได้ว่าร่างกายนี้เป็นรางของโรคโรค้านิทางซึ่งมีสาเหตุต่างๆมากมาย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 ท่านธำ ร, รักษาเขียนหนังสือเล่มเล็กๆไว้เล่มหนึ่งให้ชื่อว่าคนเจ็บไข้ผู้โชคดีผู้สนใจทางนี้ควรอ่านจะได้ของดีจากความเจ็บไข้ยเยอะทีเดียว 5. ตั้งจิตไว้เพื่อละความตรึกในกามกามวิตกตั้งจิตไวเพื่อละความตรึกในกามความตรึกในพยาบาทพยาบาทวิตก และความตรึกในการเบียดเบียนวิหิงสาวิตกพิจารณาเห็นโทษของความคิดความหมกมุ่นทางกามกามอารมณ์และกามคุณว่าเป็นมูลรากของความทุกข์ความเดือดร้อนนานับประการมีความคับแค้นและความร่ำไรรำพันเป็นผลได้มาก็ลำบากในการหวงแหนรักษา เป็นเหตุแห่งความหึงหวงติษยาและประทุษร้ายเพราะกามเป็นเหตุมีความชั่วและความทุกข์อีกนานับประการตามมาเผาลุ่นชีวิตกามารมณ์เมื่ออยู่ไกลก็ดูเหมือนน่าชื่นมชมพอเข้าใกล้ได้สัมผัสก็จะเห็นพิษภัยของมันเองตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่ผิดเพี้ยนทำให้คนทะเลาะวิวาทกัน ทำให้คนตรากรรมต่องานหนักและเหน็ดเหนื่อยเพื่อกามถ้าไม่เพื่อกามก็คงไม่หนักและเหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นทำให้คนประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจตายแล้วต้องทนทุกข์ในนรกอีกในพระสูตรชื่อทเวทาวิตกสูตรมัชิมานิกายมมลปันนาเล่มสิบสอง ข้อ251ถึง255พระพุทธเจ้าตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงแบ่งความนึกคิดออกเป็นสองส่วนคือส่วนดีได้แก่ความนึกคิดที่จะปลีกตนออกจากกามจากความไม่พยาบามและจากความไม่เบียดเบียนส่วนชั่วคือความตรึกในเรื่องกาม เรื่องความพยาบาทและความเบียดเบียนทรงพิจารณาเห็นว่าความนึกคิดเรื่องตามเป็นต้นเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นส่วนความนึกคิดเรื่องการปลีกตนออกจากตามเป็นต้นเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นทรงนึกคิดอยู่นานหลายวันก็เห็นแต่ความปลอดโปรง่งความไม่มีภัย คนเราเมื่อมีความรู้สึกว่าปลอดโปรง่งไม่มีภัยก็ไม่เครียดผ่อนคลายไม่มีทุกข์ทำให้สุขภาพจิต ด, ดีความคิดพยาบาทและความคิดเบียดเบียนนั้นยิ่งคิดมากยิ่งเครียดมากสู้คิดในทางตรงกันข้ามไม่ได้คือคิดในทางเมตตาการุณาให้อภัยและช่วยเหลือเกื้อกูล คิดในทางนี้จิตใจอ่อนโยนมีความสุขต้องทำบ่อยๆทําจนเคยชินเป็นนิสัยจะรู้สึกปลอดโปรง่งสุขภาพจิตดี 6. คิดไปทางคลายความติดวิราคาสัญญาคิดไปทางคลายความติดวิราคาสัญญาคือพรากใจออกจากสิ่งที่เคยติดพันยึดมั่นเห็นด้วยปัญญาว่า สิ่งใดที่เข้าไปติดพันยึดมั่นจะไม่ให้โทษนั้นไม่มีจึงถอยใจออกห่างอยู่ในโลกไม่ติดโลกเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวไม่ติดใบบัวใบบัวไม่ติดน้ำเพียงแต่อาศัยกันให้สำเร็จประโยชน์ในกิจอันพึงธทรรมลมไม่ติดตาข่ายตาข่ายไม่ติดลมจิตใจของบุคคลผู้มีวิราคาสัญญา ย่อมไม่ติดสิ่งใดในโลกไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะทาให้เขาติดได้เหมือนเนื้อป่าไม่ติดบ่วงไม่ต้องทุกข์เพราะบ่วงสุขภาพจิตจะดีเยี่ยมทีเดียว7คิดไปในทางดับนิโรธสัญญาคิดไปในทางดับนิโรธสัญญาดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์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 เพราะว่านิโรโทนิบานังจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เพลิดเพลินแม้ในนิพพานไม่ให้ยึดมั่นว่านิพพานเป็นของเราเพราะความเพลิดเพลินยินดีเป็นมูลแห่งทุกข์จากมูลปริยยสูตรเล่มส2องข้อหนึ่งถึง9 9. พิจารณาว่าไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง เพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไปปราถนาเข้าก็เท่ากับปราถนาความไม่เที่ยงและความทุกข์นั่นเองอานิจจาวัตสังขาราอุปาดวยะธรรมมิโนอุปัชชิตวานิรุชฌนติเตสังบูปสโมสุขโขแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการสงบสังขารเหล่านั้นจะได้เป็นสุขเป็นคาถานำมาจากอัตถกาถาธรรมบทภาคหนึ่งพระมหาการกล่าวเมื่อพิจารณาศพในป่าช้าและได้บรรลุอรหัตผลปัจจุบันพระนิยมนำมาใช้ในการบังสุกุลศพ พระธรรมยุตจะส่วนต่อว่าสับเบสัตตามรันติจะบริงสุจัมริสเรตเถวาหังมริสามินัติเมเอถะสังสยแปลว่าสัตว์ทั้งหลายกําลังตายอยู่ด้วยได้ตายมาแล้วด้วยจกตายต่อไปด้วยเราจะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกัน ความสงสัยในเรื่องความตายนี้ไม่มีแก่เราคำว่าสังขารมีสองความหมายคือ 1. สังขารภายนอกหมายถึงสารประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้น compound e d things เช่นร่างกายของคนอันประกอบด้วยธาตุ า, าคือดินน้ำไฟลมและอากาศคือความว่างหรือช่องว่างในกาย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 สังขารไม่ว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมล้วนเป็นทุกข์ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสะเบสังขาราทุขขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์จิตของปุถุชนถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจึงกลับกรอกแปรปรวนและเป็นทุกข์บวกด้วยทุกข์แห่งรูปปั้นเข้าอีกจึงเป็นมหาทุกข์ส่วนจิตพระอระหันต์เป็นวิสังขารไม่ถูกปรุงแต่ง จึงผ่องใสและไม่เป็นทุกข์เพราะท่านดับสังขารได้แล้วการสงบสังขารเสืได้คือไม่ถูกปรุงแต่งจึงเป็นสุขด้วยประการชนนี้อีกชื่อหนึ่งของพระอาหารหันต์คืออัตมโยผู้ไม่ถูกปรุงแต่งเพราะได้บรรลุธรรมคืออัตมยตาเปล่าคือวิสังขารหรือนิทธาตัญหาคือไม่มีตัญหานั่นเองอะตมยตา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 พิจารณาลมหายใจเข้าออกทำอนาปานาสติหลักข้อสินี้เพื่อผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกจะได้ไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกอันเป็นเหตุให้เครียดวุ่นวายเป็นทุกข์วิธีทำนั่งนิ่งๆหลับตาครึ่งเดียวมองลงต่ำให้เห็นปลายจมูกนับลมหายใจเข้านับหนึ่งออกนับหนึ่ง หนึ่ ง, งทีละคู่สองสองสาสาจนถึงสิบสิ บ, สบแล้วกลับมาตั้งต้นหนึ่งหนึ่งใหม่เมื่อจิตสงบพอสมควรตาจะหลับลงมาสนิทเองโดยไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนใจสงบอยู่กับลมหายใจสักระยะหนึ่งเลิกทำแล้วจะรู้สึกสดชื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาณาปานาสติทำให้กายไม่ลำบาก ตาหรือจากสุกก็ไม่ลำบากเป็นธรรมเรื่องอยู่สบายในปัจจุบันอย่างหนึง่งลักสิบประการดังกล่าวได้นำมาจากคิริมานันทสูตรหรืออาพาทสูตรในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายเล่ม24ข้อ60ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ให้นำไปแสดงแก่พระคิริมานันทะผู้ป่วยหนัก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 ท่านอาจารย์วสีนินทศระจบหนังสือเรื่องเพื่อความสุขใจไว้เพียงเท่านี้นะคะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ทำให้พวกเราได้รับธรรมรุได้รับความสุขใจและมีหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งสืบไป